ท่านพท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเมื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆทก่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8กันยายนพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทัายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา มาลักบากมาชะละักใจให้สาบบริสุทธิ์พะมีความศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่สอนตามหลักของความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้า ส, สอนแม้ว่าจะเป็นเหตุก็ดี เป็นผลก็ดีล้วนเป็นความจริงทั้งนั้นเช่นทรงสอนว่าทำบุญแล้วก็จะได้สวรรค์ทำบา ก, ก็จะได้อบายได้นรกถ้าชำระใจให้สะอาดบ ร, ริสุทธิ์ได้ก็ยุติการเวียนว่าตายเกิดได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบังเป็น ได้สรงรับผลมาแล้วจึง น, น่ามามาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นความจริงของกฎแห่งกรร น, นี้ น, นั่นเองพอได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาปฏิบัติตามไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถนำพา ชีวิตใจิตใจของตนให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปตามลำดับไปสวรรค์ชั้นต่างๆจนไปถึงพระนิพพานในที่สุดดังนั้นเมื่อเรามีความเชื่อนาขอให้เราปฏิบัติการอย่างกำหม่อมเม่นอย่างไม่ท้อถอยถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือจะมีความ เห็นที่ไม่แน่ใจว่าทำแล้วได้ผลจริงหรือไม่ก็ขอให้เราจงทำความเข้าใจว่าผลของการทำบุญหรือการทำบาปนี้มีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือลักษณะแรกก็คือผลที่เกิดในใจของเราเช่นเวลาเราทำบุญใจจะมีความสุข มีความอีกแบอิบใจอันนี้ก็เป็นสวรรค์เบื้องต้นแล้วหรือเวลาที่เราทำบาปแล้วใจเราเกิดความรุ่มร้อนเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นนรกในเบื้องต้นแล้วเราขึ้นสวรรค์หรือตกนรกทั้งเป็นแล้วด้วยการกระทำของเราในปัจจุบันนี้ส่วนสวรรค์หรือนรก ที่จะตามมาหลังจากที่เราตายไปแล้วนี้ก็เป็นเอกเสือหนึง่งเวลาที่เราตายไปนี้บุญกับบาปจะมาคิดบัญชีกันจะมาแย่งดววิญญาณของพวกเราถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบาปก็จะดึงเราไปสู่าบาปไปสู่นรกถ้าบุญมีกําลังมากกว่า บุญก็จะดึงเราไปสู่สวรรค์ไปสู่พระนิพพานถ้าบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันไม่สามารถดึงเราไปสวรรค์หรือดึงเราไปนรกได้เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อันนี้คือผลที่จะตามมาต่อไปในภายภาคหน้าดังนั้นเวลาเราทาบุญหรือทบา ขอให้เรามองผลสองส่วนนี้อย่าไปมองผลที่ไม่ใช่เป็นผลที่แท้จริงก็คือการเจริญในาะลาภยศสรรเสริญหรือความเสื่อมในาะลาภยศสรรเสริญอันนี้ไม่ได้เป็นผลที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญหรือทำบาปโดยตรงเพราะคนที่ทำบา ก็สามารถจเจริญในลาบยศสรรเสริญได้คนที่ทำบุญก็อาจจะไม่ได้จเจริญในลาบยศสรรเสริญก็ได้อันนี้เป็นของแถมไม่แน่นอนอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้อื่นรู้การกระทำของเราเหรือไม่เช่นเราทำความดีแต่เราไม่ประกาศ ให้ผู้อื่นรับรู้ผู้อื่นเขาก็ไม่สามารถที่จะมายกย่องสรรเสริญให้รังวี่รังวันเงื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้กับเราได้แต่สิ่งที่เราจะได้จากบุคคลอื่นนี้น้ำหนักสู้สิทธิ์ที่เราได้ภายในใจของเราไม่ได้เวลาเราทาความดีแล้วเราจะมีความสุขใจ ที่มีน้ำหนักมากกว่าเวลาที่เราได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับการยกย่องสรรเสริญเยือนยอได้รับรางวี่ราวัลต่างๆอันนี้จะไม่มีน้ำหนักเหมือนกับความสุขใจที่เราได้รับโดยที่เราไม่ต้องรอรับรางวั ล, ลจากใครดังนั้น ถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะไม่ท้อแท้จะไม่เบื่อหน่ายต่อการทำความดีจะไม่เบื่อหน่ายต่อการละการกา ร, กรทำชั่วการกรทำบาปจะไม่เบื่อหน่ายกับการชำระใจของเราให้สะอาด บ, บริสุทธิ์แต่ถ้าเราไปมองผลภายนอกมองผลที่เราจะได้รับจากผู้เช่นมองลาบยศสรรเสริญ มองความสุขทางตาหูจมูกทิ้นกายเราก็จะหลงได้เราจะเกิดความท้อแท้ได้เพราะเราทำบุญทำความดีแต่เรากับไม่ได้รับผลตอบแทนไม่ได้เจริญในลาบยศสรรเสริญไม่เจริญด้วยความสุขทางตาหูจมูกทิ้นกายส่วนคนที่ทำบาปทำกรรมกับเจริญทางลาบยศสรรเสริญ จเจริญทางรูปเสียงกิ่นรสโพธฐาภอันนี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการกระทาบุญรืยธรรมบาของเราเป็นผลแต่เป็นผลข้างเคียนเป็นผลพล่อยได้ไม่ใช่เป็นผลหลักคนทําชั่วอาจจะไม่ต้องติดคุกติดตารางก็ได้คนทําดีอาจจะถูกติดคุกติดตารางก็ได้เพราะอาจจะถูกกแกล้ง หรืออยู่ถูกลูกหลงคือไม่ได้ทำแต่เขากลับกล่าวหาว่าเราทำอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะเราอยู่ในโลกของอนิจจ์ทุกขังอนัตตาก็คือไม่มีอะไรแน่นอนทำดีอาจจะติดคุกก็ได้ทำชั่วไม่ต้องติดคุกก็มีแต่นี่มันไม่ได้เป็นเรื่องของการ ทำบุญหรือทำบาปคนทำชั่วรับรองได้ว่าใจต้องรุ่มร้อนจะต้องตกนรกทั้งเป็นและเมื่อตายไปถ้าทำชั่วมากกว่าทำดีก็ต้องไปเกิดนาบายอย่างแน่นอนอันนี้พระพุทธเจ้ารับรองพระพุทธเจ้ามียานสามารถมองเห็นจิตวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วได้แต่พวกเรานี้ยยังไม่มีพลังจิตพอ ที่จะสามารถเห็นดวงจิตดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วว่าไปผุดไปเกิดอยู่ที่ไหนดังนั้นเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นเหมือนกับคนตาดีส่วนพวกเรานั้นเป็นเหมือนคนตาบอดคนตาดีย่อมมองเห็นอะไรที่คนตาบอดมองไม่เห็นฉันใดพวกเราที่ยังมีความมืดบอดด้วยความหลง ความนามอยู่เราจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้เลยถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราเชื่อความรู้สึกของเราเราก็จะไม่อยากจะทำบุญไม่อยากจะทำความดีเราอยากจะทำบาปเพราะทำบาปนี้มันง่ายกว่าการทำความดีส่วนการทำความดีนี้เป็นความ เป็นสิ่งที่ยากกว่าการทาความดีนี่เป็นเหมือนกับเดินขึ้นเขาส่วนการทําบาปนี้เป็นเหมือนกับการเดินลงเขาโลกนี้จึงมีคนทําชั่วมากกว่าคนทําดีท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าคนดีนี่เหมือนเขาวัวส่วนคนชั่วนี่เหมือนขนวัววัวตัวหนึ่งนี้จะมีเขาเพียงสองอันเท่านั้น แต่คนนี้มีเป็นจํานวนน้อยนี่คือลักษณะของคนในโลกนี้คนเชื่อจะมีมากกว่าคนดีเป็นธรรมดาเพราะคนเชื่อนี้มีความหลงมีความมืดบอดมากกว่าคนดีคนดีนี้มีตาที่สามารถมองเห็นผลของการกระทาของตนได้แต่มีน้อยกว่า เท่านี้พระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันตสาลวกบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่หายากในโลกนี้มีไม่มากเพราะคนที่จะเป็นคนดีได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอดทนมีความแน่วแน่ต่อการทำความดีดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อพระอาลันตัสสาวรเชื่อคำสอนของท่านที่สอนให้เราพยายามทาบุญทําความกันดีให้มากๆและพยายามละบาปละการกระทาไม่ดีแล้วก็หมั่นชำระจิตใจของเราให้สะอาดกำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆเพราะความโลภความโกรธความหลงและความอยากนี้ เป็นต้นเหตุที่จะพาให้เราไปเกิดใหม่แล้วก็จะพาให้เราไปทำความชั่วได้เวลาที่เรามีความอยากมากๆแล้วเราไม่สามารถหามาได้โดยวิธีที่ถูกต้องเราก็จะไปทำโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องทาผิดกฎหมายบ้างทำผิดศีลธรรมบ้างเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้มากัน แต่เราไม่รู้โทษของการทําบาปที่ตามมาทาั้งๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วคือใจของเรานี้ไม่สบายใจแล้วเวลาไปทําบาปนี้ใจจะไม่สบายใจใจจะมีความหวาดกลัววิตกกังวลเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำํำรวจนี้เป็นเหมือนวัวสันหลังหวาดใจจะหวาดผวาขึ้นมาทันที ทางทำที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเขาไม่รู้เรื่องของเราเลยเขาไม่รู้ว่าเราได้ไปทําผิดกฎหมายมาแล้วได้ไปป้นธนาคารมาแล้วได้ไปฆ่าผู้อื่นมาแล้วแต่ใจของเราที่ได้ทําบาปแล้วนี่มันจะเป็นนี้เหมือนกับมีแผลพอมีอะไรมาสะกิดหน่อยพอเห็นตํารวจหน่อยเท่านั้นใจก็วุ่นขึ้นมาทันที และถึงแม้จะไม่เห็นตำรวจก็มีความหาวาดภวะมีความกังวลอยู่ตลอดเวลาบางทีก็ต้องหลบอยู่แบบหลบหลบซ่อนซ่อนไม่กล้าออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนนี่คือผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันทีถ้าทำบาปแล้วใจจะรุ่มร้อนเป็นนรกขึ้นมาทันทีเช่นถ้าฆ่าสัตว์ รักทรัพย์ประพฤติกโะเวณีพูดปดหมดเทศโกหกหลอกลวงเสพสุรายามาใจนี้จะไม่สบายใจจะไม่เป็นปกติแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ทำบาปใจจะเป็นปกติจะไม่รู้สึกเดือดร้อนจะไม่มีความวิตกกังวลกับอะไรเห็นเจ้าหน้าที่ตารวจก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใด ก็ไม่ได้ไปทําอะไรผิดนั่นเองและยิ่งถ้าได้ทําบุญยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นด้วยเวลาทําบุญแล้วใจจะมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจมีความภูมิใจนี่คือผลที่เราจะได้รับในปัจจุบันและเวลาตายไปก็จะขึ้นอยู่กับ บุญกับบาปที่เราได้ทำไว้ว่าส่วนไหนจะมีมากกว่ากันถ้าส่วนบาปมีมากกว่ากันก็ต้องไปอาบายถ้าส่วนบุญมีมากกว่าบาปก็ไปสุขติไปสวรรค์ไปนิพพานเช่นยกตัวอย่างองคุลิมาองคุลิมานี้ก็ก่อนที่จะได้บวชก่อนที่จะได้พบกับพระพุทธเจ้า ก็ฆ่าคนมาเป็นจำนวนมากเพราะถูกหลอกให้ไปฆ่าเพราะอยากจะสำเร็จอยากจะบรรลุธรรมอาจารย์ที่ไม่ไม่ชอบองคุริมานก็เลยบอกว่าต้องไปฆ่าคนหนึ่งพันคนถึงจะได้บรรลุธรรมขั้นสูงได้องคุริมาก็เลยฆ่าคนมาถึง999คนขาดอีกคนเดียว ก็เพิ่มมาพบกับพระพุทธเจ้าก็เอามีดไล่ฟันแต่พระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทำให้องค์ุรีมาไม่สามารถไล่ฟันทำได้จนกระทั่งองค์ุรีมาเหนื่อยก็เลยร้องไปบอกว่าขอให้ท่านหยุดเถิดเราเหนื่อยแล้วเราวิ่งตามไม่ทันพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเราได้หยุดแล้วเธอต่าง ที่ยังไม่ของคุลิมาลก็เลยเอกใจขึ้นมาว่าก็เราวิ่งท่าเป็นท่าตายเรายังหาว่าเราเรายังหาว่าท่านหยุดได้อย่างไรถ้าท่านหยุดเราก็ต้องวิ่งตามทันได้แต่พระอาจาก็ทรงตรัสว่าเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงแล้วเธอต่าหากที่ยังหลงอยู่ นางหลงคิดว่าการทำบาปจะทำให้เธอมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองพอได้ยินได้ฟังอย่างนั้นก็ได้สติก็ยุติการฆ่าแล้วก็ขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าขอบวชเป็นพระภิกษุและศึกษาปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พอได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้ว บุญที่ได้จากการเป็นพระอาหารหันต์นี้ก็มีน้ำหนักมากกว่าบาทที่ฆ่าคนถึง999คนพอตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปตกนรกได้ไปสู่พระนิพพานนี่คืออำนาจของบุญของความดีที่ทําสามารถลบล้างือจว่าสามารถต้านทานแรงของบาท ที่จะดึงให้ไปเกิดในนรกไปเกิดในอบายได้อันนี้ตัวอย่างอย่างหนึ่งตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือพระเทวทัตพระเทวทันนี้ก็มีศรัทธาเข้ารบพระพุทธเจ้าออกบวชปฏิบัติทางจนสามารถได้อภิญญามีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แต่ไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้เจริญวิปัสสนา ไม่ได้ชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากที่มีอยู่ภายในใจเลยถูกความโลภความโกรธความหลงหลอกให้คิดว่าตนเป็นผู้วิเศษเพราะมีอิทิริ์บาลูอภพินยาก็เลยเกิดความมักใหญ่ไฟสูงทรงเห็นว่าเห็นว่าพระเจ้ามีพระชนมายุมากแล้วจึงกราบขอกราบทูลขออนุญาต ให้พระพุทธเจ้าแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าจิตของพระเทวทัตนี้ยังเป็นจิตที่ตัง้งยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ถ้าแต่งตั้งให้ปกครองสงฆ์ก็จะทําให้สงฆ์ก่อความเสื่อมเสียขึ้นมาอย่างแน่นอน เพราะผู้ปกครองเป็นผู้ที่ไม่มีคุณธรรมความดีงาม น, นั่นเองจึงทรงปฏิเสธไปและทรงตัดแบบเหมือนกับดูถูกว่าขนาดภาษารีบุตรพระโมกราที่เป็นพระอาหารหันต์ที่เป็นอัคครสาวรูซ้ายขวาเรายังไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนเราเลยแล้วเธอเป็นใครมาจากที่ไหน จึงจะมาขอเป็นผู้ผูกควองสงศ์พอรงกัดอย่างนี้ก็สร้างความเครียดแค้นให้กับพระเทวทันจึงพยายามปลงพระชนถึงสามครั้งด้วยกันทรงคนมาฆ่าก็ไม่สำเร็จส่งชางปล่อยช้างออกมาเพื่อให้เหยียบก็ไม่สำเร็จขึ้นไปบนภูเขารอให้พระพุทธเจ้าเดินผ่านมาแล้วก็กลิ้งก้อนหินลงมาเพื่อหวังให้ทับพระพุทธเจ้า ก็ทําไม่สําเร็จแต่กรรมที่ได้ทํานี้เป็นกรรมที่หนักมากพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอนันตาริยกรรมคือเป็นกรรมที่หนักที่สุดที่ใครจะสามารถทําได้อ น, อนันตาริยกรรมนี้มีอยู่หข้อด้วยกันคือหนึ่งฆ่าบิดาสองฆ่ามารดาสาฆ่าพระอรหันต์สทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือด และห้าทำให้สงแตกแยกผู้ใดทำกรรมานี้แล้วจะต้องไปตกนรกทันทีบุญที่ทำมานี้จะไม่มีกำลังที่จะตั้งบาปอันหนักนี้ได้เลยบุญที่พระเทวทัตได้จากการบวชได้จากการบรรลุอภิญญานี้ไม่สามารถยับยั้งอนันตาริยกรรมที่ตนเองได้ทำขึ้นมาได้ทำบาปที่หนัก พอตายไปก็เลยต้องไปตกนรกแต่หลังจากที่ได้ใช้กรรมหลดในนรกแล้วก็สามารถกลับมารับผลบุญที่ได้ทำไว้ได้จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และจะได้บาเพ็ญจนบรรลุเป็นพระประจกกะพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปอันนี้คือเรื่องของผลของการทำบุญ และผลของการตามบาทำบาที่จะตามมาต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วพวกเหล่านี้จะไม่มีความสามารถมองเห็นได้เลยถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่นั่งสมาธิทำใจให้สงบเราจะไม่มีพลังจิตพอที่จะเห็นจิตวิญญาณ ตาที่ได้ตายไปแล้วว่าไปรับผลของบุญของบาปอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่ถ้าเราได้บาเพ็ญ น, นั่งสมาธิทาใจให้สงบจเจริญวิปัสสนาเราจะมีพลังจิตที่จะสามารถเห็นการเวียนว่าตายเกิดของสัตว์โลกได้จะเห็นการรับผลบุญผลบาปของสัตว์โลกได้ ว่าทำบุญแล้วได้ไปที่ไหนทำบาปแล้วได้ไปที่ไหนมีพระพุทธเจ้าและพระอาหลานตสาวกทั้งหลายท่านมีพลังจิตท่านสามารถเห็นได้ท่านจึงมีความมั่นใจต่อการสั่งสอนว่าการทำบุญนี้มีผลอย่างแน่นอน <c oughs> การทำบาปก็มีผลอย่างแน่นอน <c oughs> การชำระใจให้สะอาดโดยสุด ก็มีผลอย่างแน่นอนเพราะท่านได้รับผลต่างๆเหล่านี้มาแล้วนั่นเองและท่านได้เห็นสรรโลกที่ได้ทำบาปทำกรรมและต้องไปใช้บาปใช้กรรมแล้วท่านจึงไม่มีความลังเลสงสัยในเรื่องคำสอนของท่านถึงแม้ว่าผู้ฟังจะไม่สามารถเห็นตามได้ก็ตามแต่มันเป็นความจริง ผู้ฟังนี้เป็นเหมือนคนตาบอดถ้าจะยืนยันว่าต้องเห็นก่อนแล้วค่อยทำนี้ก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำเลยเพราะว่าจะไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นได้การจะมองเห็นได้ก็ต้องทำก่อนเท่านั้นทาตามคำสอนของพ่อพุทธเจ้าทำบุญละบาทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการจเจริญจิตตภาวนานั่งสมาธิ จเจริญปัญญาแล้วก็จะมีพลังจิตที่จะทําให้สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเห็นได้ดังนั้นหน้าที่ของพวกเราตอนนี้ก็คือตาพวกเราตอนนี้บอดสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องรักษาตาของเราให้หายบอดวิธีที่จะรักษาตาของเราให้หายบอด ก, ก็คือต้องทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ ทำบุญไปได้เรื่อยละบาปไปได้เรื่อยชำระใจไปได้เรื่อยแล้วต่อไปตาก็จะสว่างขึ้นไปเรื่อยๆจนสว่างเต็มที่ได้ในที่สุดนี่คือวิธีที่จะทำให้เราเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดได้มีทางนี้ทางเดียวเริ่มต้นที่การมีศรัทธา มีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าในคำสอนของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายแล้วนำเอาไปปฏิบัติอย่างเข้มแข็งอดทนไม่ยอ้อยไม่ย่อท้อไม่ถอยไม่หยุดถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะได้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา จะเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นที่พระอาลัยตสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นกันนี่คือสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราอยากจะรู้ว่าบุญมีจริงหรือไม่ผลของบุญคือสวรรค์มีจริงหรือไม่บาปปีจริงหรือไม่นาลกมีจริงหรือไม่การยุติการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงรอยู่ หรือไม่มรรคผลนิพพานนี้มีจริงหรือไม่จะพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาและทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติเท่านั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่มีวันรู้เราก็จะอยู่แบบคนตาบ่าต่อไปคนตอบอดเป็นอย่างไรเดินเดี๋ยวก็ไปชนสิ่ง น, นั้นไปเตะสิ่ง น, นี้ ไปเหยียบสิ่งนั้นไปหกล้มไปลื่นไปล้มนี่คือลักษณะของคนตาบอดเราก็เหมือนคนตาบอดชีวิตของเราก็จะเป็นแบบลุ่มๆดันๆดนีใจบ้างเสียใจบ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างแต่ส่วนใหญ่จะมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขนี่คือวิถีชีวิตของผู้ที่มีมีความมืดบอดทางจิตใจ ส่วนผู้ที่มีความสว่างทางจิตใจก็จะเป็นเหมือนที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เป็นกันถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นเหมือนพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเราก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านได้ปฏิบัติคือเราก็ต้องทำบุญให้มากขึ้นไปเรื่อยๆทำจนกระทั่งไม่มีเงินเหลือ พอเราไม่มีเงินเหลือเราก็จะได้ออกไปละบาปออกไปรักษาศีลได้อย่างเต็มที่ก็คือออกไปบวชนั่นเองก่อนจะบวชเราก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทำบุญไปให้หมดพอหมดเงินหมดทองแล้วเราก็บวชได้พอบวชเราก็จะรักษาศีลได้ให้บริสุทธิ์ได้ไม่ทำบาปได้ 100% อตและเราก็จะมีเวลา มาชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้แล้วก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานกลายเป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าตามลํำดับต่อไปได้นี่คือขั้นตอนของการดําเนินในทางของพระพุทธศาสนาต้องเป็นไปอย่างนี้ต้องมีการศึกษาได้ยินได้ฟังพอได้ยินได้ฟังแล้วก็มีศรัทธาความเชื่อ ก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติด้วยความวิริยาอตสาหะด้วยความอดทนด้วยความเข้มแข็งแล้วก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดมาฟังเรื่องของบุญของบาสมาฟังเรื่องของกรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจิตรณาและปฏิบัติ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 โดยทั่วหน้าการเธอ